ต้อนรับสาธุชนษุิกษุนีที่มาจากประเทศจีนแนละพวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยนี่คือวัดป่าสุขโตสุขโตแปลว่าผู้ไปดีมาดีอยู่ดีอะไรบองแย่ดีหมด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 ความยากก็ดีจะได้ลุยๆสักหน่อยเข้มแข็งความอ่อนแดจะได้เกล้าจึงมีตประโยชน์ในการให้ชีวิตของพวกเราแต่บางคนเอาความยากมาเป็นความอ่อนแรงไม่กล้าทำไม่กล้าสู้ความยากเอาความทุกข์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 เป็นเอกลักษณ์ของเราแม่พ่อแม่ไม่มีแล้วก็ยังทำดีพ่อแม่มามีแล้วก็รลบความชั่วมีจิตบริสุทธิ์อยู่้าเป็นอุทิศก็อุทิศส่วนบนุญกุศลในให้พ่อให้แม่ตลอดเวลาก็เกี่ยวกับเราเลือเนื้อกะูกศีละร่างกายทั้งหมด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 บางทีวันว่าวันจีนห้องเดียวเสียห้าคนคนเจ๋อต้องพิเศษกูคนหนุ่มอะคนเจ๋อต้องมีพิเศษจักหน่อยให้ดูแลความสะดวกบางทีคนแจ๋ช่วยเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้หนุ่มคนหนุ่มช่วดูแลอันนี้สิ่งที่เราอธิการส่วน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 แต่ช่วยคนอื่นได้ต้องมาลู้เรื่องนีก่อนถ้าจะลู่เรื่องนี่ใครจะต้องเป็นคนลู้ต้องเราเป็นคนลู้ก่อนนนก็เราจะช่วยคนตกน้ำเราต้องไ่วหน้าให้เป็นก่อนแต่ว่าอัตตาทิปเตยะโลกาที่ปเตยเะเราเพื่ออะไรเพื่อทำเมื่อมีความแเจต้องมีความไม่แเจเป็นธรรมไหมเมื่อมีความเจ็บก็ต้องมีความไม่เจ็บ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 เกิดความทุกข์เกิดความโศกเกิดความพอใจไม่พอใจถึงใจนู่นเรามาเริ่มต้นตัวแรกเนี่ยพระองค์เ้าแรกก้าวแรกศึกษาเรื่องนี้คือย้ายตรงนี้เหมือนกับเราเดินทางไปต้องมีก้าวแรกจรึงจะออกจากที่ได้เห็นกายสภาวากายไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาเป็นข้าวาออกไปแล้ว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 บังทีจิตเนี่ยแม้มันไม่มีตัวมีตนมันก็มีอำนาจมีความเป็นใหญ่ได้นี่หมายจิตอ่ะฮะไอ้เพียนมีจิตปะนอนเยวัดแต่มันไป น, นอนดําหลานหน่อยกวนะ่าน่อยไม่บานว่เอ้สอนโรูคนหนึง่งมาปฏิบัติธรรมเนะี่ยให้ยกมือสร้างจัง่า เขาก็บอกว่าหนูเนี่ยมายกมือสร้างใจว่ามันจะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าน่ะอาคิดถึงลูกเสียแล้วหนูมีลูกสองคนแล้วหนูตายไปอรถตุกติเหตุหนูจะเลี้ยงลูกได้ไหมเนี่ยมานั่งยกมือสร้างใจะวะก็บอกว่าไม่ใช่มาคิดเรื่องลูก เวลานี้มาสร้างสติเลี้ยงลูกไม่ใช่ความคิดเป็นการกระทํานอนไม่ใช่หมาคิดอะไรรักลูกก็ไม่ใช่หมายคิดรักจนอะไรอวรนรักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียก็ไม่ใช่หมายคิดจนอะไรอวรจะเป็นทุกข์แล้รักลูกก็ต้องตรงตอมทาตัวให้ดี รักพ่อรักแม่ก็เป็นคนดีรักสามีปัญญาก็ต้องเป็นคนดีรักเพื่องต้องเป็นคนดีปฏิบัติให้เป็นคนดีให้น้มใจดีไม่ใช่คิดอเอาความรักก็เป็นความคิดเอาความคิดมาเป็นความรักมันไม่ประโยชน์แอ่รักลูกต้องเป็นคนดีเวลานี้เราไม่ใช่มาคิดถึงลูกมาเจริญสติเพราะเราอยู่ที่แล้ว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 ไม่อยากคิดมันก็คิดอันคิดอีแบบหนึ่งตั้งใจคิดขี้เกียจอันตั้งใจคิดเนี่ยไม่อยากคิดดอกแต่รักคิดแต่ตัวสังขารนั่นมันขยันกังคืนเป็นขวันกลางวันเป็นเปลวมันขยันคิดกัางคืนมาขวันกลางวันว่าคิดมันคลุ้งอยู่มีอำนาจป่าเถื่อนควมคิดแบบนั้นน่ไม่ใช่ อาเส่มันได้บางทีมันคิดกันมาน้าตาไหลก็มีอันความคิดนั่นนะที่เกิดมาเราหรัวเราะก็มีร้องไห้ก็มีที่เกิดมาเราลักก็มีคิดคมาเราชังก็มีไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่อะไรอันตรนนะสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ปุกลโตตนราขเขาอย่าไปเชื่อว่าน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 เอาหันผักไปฟันฟื้นมันผิดสมมุติบัญญตัตินี่หันผักก็ต้องหันผักนี่แฝงไม้ ก, ก็ต้องแฝงไม้มี่ใช้งานต้องใช้งานเป็นสมมุติบัญญัติให้มันถูกต้องรวมคิดนี่ก็เหมือนกัน่ะคิดไม่เป็นบางคนมีจิตก็คิดไม่เป็นจิตลงโทษตัวเอง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 บางทีก็มีความสุขหลงอยู่ในความสุขบางทีก็มีความรู้หลงอยู่ในความรู้เป็นจินตยาณไปเลยคิดอะไรรู้ไปเลยนั่นเป็นธรรมกุศลบางทีก็เอากุศลง่วงเหงาหอนอนคอบําจิตมันก็คอบํากายหงุดหงิดเบือ่อนาย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 บางคนไปเอาความโกรธเป็นจิตเอาความรักเป็นจิตเอาความเกลียดเป็นความเบื่อความอร่อต่างๆมาเป็นจิตถ้าคูได้โรกรธแล้วปายคูก็ไม่ลืมถ้ า, ากูได้โกรธแล้วกรูไปด่ากันไม่ยอมถ้ า, ากูได้โกรธแล้วคูไม่ถ้ามันกรูไม่ยอมเอาเอารมณ์มาเป็นจิตของตัวเองทําตามความผิดความคิดของตนเองคนที่สูญก็พาดเขี่ไม่ได้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 ช่วยกายอย่าให้เขาทุกข์ริมมันทุกข์ที่กายให้มันเห็นความทุกข์ไม่ใช่กายเห็นความเจไม่ใช่กายเห็นความเจ็บไม่ใช่กายความเจเป็นต่างหากความเจ็บเป็นเรื่องต่างหากธรรมชาติของเขาไม่มีใครแจกใครจ็มันจะแยกไปแยกไปแยกไปแยกไปจนเหนือกาอเกิดเจ็บตายไปนู่นน่ะมันก็เรื่องนี้แหละ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 อกองรอนทั้งหมดของเจ้าเราหักลงแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อลงแล้วจิต ข, ของเราถึงแล้วจังสภาพอิเล่ปงแต่งมาได้อีกต่อไปนั่นแหะมันลื้อออกมาอนานความทุกข์ความโกรธความโลภควาหลงมาใช่เรื่องจิตลื้อออกแล้วตั้งแต่อยู่สุขโตน้น์จะได้มากไหม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 เรามาทําอันนี้จะยิ่งดีนะมันจะมีความผิดพลาดอยู่ความยากความผิดความถูกความสุกความทุกเกิด ข, ขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเยอะแยะเลยปวดขาล่าแย่งแต่ว่าทำข้ายากกว่านี้ห้ยหลังทำข้าวยากกว่านี้เรามานั่งจุกมือมันจะยากอะไรอ้ันนี้ก็สมควรใช้เวลาโอ้ไหลไปไม่มากแค่นี้ี่ย